ด้วยความเชื่อด้วยความขยันวิริยะภาคเพียงกระตือร้ น, นต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าตามที่พระองค์ทรงได้ตรัสสอนไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาจงยำประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเนื่องจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนายังมีชีวิตอยู่ยังสามารถศึกษาปฏิบัติทำได้ เป็นสูตรที่วิเศษเป็นปัจจัยที่เลิศที่ประเสริฐเพราะจะทำให้เรามีโอกาสได้รับประโยชน์อันสูงสุด <c oughs> ก็คือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ยินได้ฟัง ทำได้ปฏิบัติธรรมได้มีชีวิตอยู่โอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ก็จะไม่มีเลยแต่ในขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีมากดีที่สุดในโอกาสทั้งหลายการเวียนว่ายตายเกิดของเราในแต่ละครั้งที่จะได้มีโอกาส อย่างนี้นั้นเป็นสิ่งที่หายากมากยากยิ่งกว่าการงมเข็มในทะเลหรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งและผลประโยชน์ที่ได้รับก็ดีกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ได้เพียงเงินทองมาโยยยาดูแล อัตภาพร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไปในภพนี้เท่านั้นเองแต่ตายไปแล้วก็ยังจะต้องไปใช้บุญใช้กรรมไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ถ้าได้ประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรง ม, มอบให้กับพวกเราคือมรรคผลนิพพานเราก็จะ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องต่างๆเช่นทุกข์กับน้ําท่วมทุกข์กับไฟไหม้ทุกข์ ก, กับพายุทุกข์กับแผ่นดินถล่มทุกข์กับการพัดรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงนี่คือปัญหาของพวกเราในขณะนี้และตอนนี้เรามีเครื่องมือ เรื่อมีวิธีที่จะแก้ปัญหาของเราได้อย่างถาวรแล้วเพราะเรามีปัจจัยครบทั้งสี่ประการคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยังมีชีวิตอยู่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมถ้าเราปล่อยโอกาสอันดีงาม น, นี้หลุดมือจากเราไป ก็จะเป็นเวลาอีกยาวนานกว่าที่เราจะสามารถปฏิบัติให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะน า, นานจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์สักหนึ่งครั้งเพราะการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จำต้องมี บุญบารมีคือต้องมีศีลต้องมีทานถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำทานอย่างเดียวแต่ยังไม่มีศีลยังทำบาปอยู่เวลาตายไปก็ยังต้องไปใช้บาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างจนกว่าจะหมด หมดกรรมแล้วถึงค่อยกลับ ม, มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีโอกาสที่จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในภพนั้นในชาตินั้นเหมือนอย่างชาตินี้พวกเราีทุกคนมีโอกาส ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ที่จะรุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้เพราะเรามีพระพุทธศาสนาเพราะมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นแสงสว่างนำทางไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่าตายเกิดไม่มีศาสนาอื่นที่จะสามารถพาให้สัตว์โลก ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้และการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายใช้เวลาอันยาวนานกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกสักหนึ่งครั้ง <c oughs> ระยะเวลาว่างระหว่างพระพุทธศาสนานี้ท่านเรียกว่าเป็นกลับเป็นกันคำว่ากลับนี้มันมากกว่าล้านล้านปี<ม>ก็คิดดูแล้วกันว่าเมื่อไรเราจะได้กลับมาเกิดในจังหวะที่จะได้เป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนานถ้าได้กลับมาเกิดแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เช่นมาเกิดเป็นเดรัจฉานและได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากได้อาศัยข้าววัดรับประทานไปเท่านั้นเองเช่นสุนักที่เขานำมาปล่อยที่วัดเขาก็ไม่สามารถที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานได้เขาได้เพียงแต่อาศัย ที่วัดเป็นที่อยู่อาศัยและอาศัยอาหารที่เหลือจากญาติโยมนามาถวายพระหลังจากที่พระฉันเสร็จนแล้วมีอะไรเหลืออยู่ในบาตรท่านก็นำเอาไปเทให้สุนัขรับประทานถ้ามาเป็นสุนัขมาเกิดเป็นสุนัข ก, ก็จะได้ประโยชน์เท่านี้ไม่สามารถที่จะบรรลุมรกผลนิพพานได้ ถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาอยู่หรือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติก็ไม่เหมือนก็ไม่ต่างกับกับสุนัขที่มาอาศัยอยู่วัด น, นี้เพราะจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน หรือว่ามีศรัทธาแต่มีศรัทธาไม่แรงกล้าศรัทธาพอที่จะทำบุญให้ทานรักษาศีลแต่ไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมก็จะไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาคือการบรรลุน้ำผลนิพพานศาสนาอื่นนี้ก็มีการสอนให้ทำบุญให้ทานมีการรักษาศีล ก็จะได้รับประโยชน์เท่านั้นคืออย่างมากตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดบนสวรรค์พอพอได้รับบุญใช้บุญบนสวรรค์หมดแล้วก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่ถ้ากลับมาแล้วไม่เจอพระพุทธศาสนา หรือพบกับพระพุทธศาสนาก็อาจจะติดมิสัยเดิมมาด้วยคือชอบทำบุญให้ทานรักษาสิลแต่ยังไม่ชอบการภาวนายังไม่ชอบการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาพิจารณาไตารับพิจารณาอาริยาาสัจสีถ้าไม่ได้ปฏิบัติถึง ข่านนั้นก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นในชาตินี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่ควรที่จะทำแต่ทานและรักษาศีลเท่านั้นเราควรจะภาวนาด้วยควรจะปฏิบัติธรรมด้วยควรนั่งสมาธิควรปรีกุิเวท ไปหาสถานที่สงบสงัดอยู่นี้จากรูปเสียงกลิ่นรสที่มายั่วยวนกวนใจให้ว้าหุ้นขุนมัวให้เกิดความอยากอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้ายังติดอยู่ในการมาสุขติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่สามารถทำจิตใจให้สงบเพื่อให้มีเพื่อให้เป็นฐาน ของการเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้การออกจากความสุขจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากการเงินว่าตายเกิดผู้ปรารถนามรรคผลนิพพานผู้ปรารถนาปรมังสุขขังระลมสุขของพระนิพพาน จะต้องกล้าที่จะตัดความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรถไปเพราะความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรถนี้เปรียบเหมือนความสุขที่ได้จากยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่นไม่พอและต้องเสพไปเรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดอากา ร, ร, ราทุกขรุนแรงทุกข์ทรมานใจไม่เหมือนกับความสุขของ ความสงบไม่ว่าจะเป็นขั้นของสมาธิก็ดีขั้นของปัญญาก็ดีหรือขั้นของพระนิพพานก็ดีเป็นความสุขที่ให้ความอิ่มความพอเป็นความสุขที่ไม่ให้ความทุกข์แก่จิตใจเลยเป็นความสุขที่ถาวรอยู่คู่ไปกับใจไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็ตามถ้ายังไม่ได้ เสร็จภารกิจยังยังต้องไปเวียน่าวตายเกิดอยู่ก็สามารถเอาความสุขภายในใจติดตัวไปได้ไปเกิดพบไหนชาติไหนก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะเกิดอยู่ในฐา น, ในะใดก็ตามแต่ใจมีรัพบภายในมีอริยซั์ที่จะคอยหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีแต่ความสุขความอิ่นความพอ ไม่ต้องไปสวหาทรัพย์ภายนอกมาแล้วถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนา mm hmm. ก็จะออกบวชได้อย่างรวดเร็วและสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน mm hmm. ได้ภายในชาตินั้นเลย mm hmm. นี่คือโอกาสอันเลิศของพวกเราถ้ามาถ้ามาเกิดแล้วไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็จะได้เพื่อสร้างบําเพ็ญบุญบา ร, รมีแต่จะต้องทาไปเป็นเป็นหลายกับหลายกังดังที่พระพุทธเจ้าได้ต้องต้องบาเพ็ญมาเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่ได้มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงต้องสร้างบําเพ็ญบุญบา ร, รมีมาด้วยพระ อ, องค์เองและตัดจารุด้วยพระ อ, องค์เอง แต่พวกเรานี้ถ้ายังไม่ได้สร้างบุญบารมีในระดับพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถที่จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยตนเองบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองถ้าอยากจะบรรลุได้ด้วยตนเองนี้ต้องบำเพ็ญบารมีขั้นอุกติอย่างที่พระพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญมาในแต่ละภพแต่ละชาติต้องทำอย่างอย่างสุดๆเลยเท่านั้นถึงจะสามารถตัสรู้เป็นพระอรหันตาสัมมาสาัมพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองสำหรับพวกเราที่บำเพ็ญบุญบา ร, รมีกันแบบพอหอมปากหอมคอนี้ก็จะต้องรอจังหวะที่จะมาพบกับพระพุทธศาสนา และมาเกิดเป็นมนุษย์การบำเพ็ญบุญบา ร, รมีของเราก็เป็นเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวไว้รับคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีศรัทธาจะไม่สนใจที่จะศึกษาจะปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าการได้เกิดเป็นมนุษย์และได้เกิดเป็นใน้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดดังนั้นในชาตินี้เราก็มีเป้าหมายอยู่สองเป้าด้วยกันเป้าแรกถ้าเป็นไปได้ก็คือศึกษาปฏิบัติธรรมจนหยุดพ้นจากการยึดร่ายการเกิดไป ดังที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรากล่าไวไหวบูชาท่านได้ปฏิบัติกันท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนไหวต่อเกิดในภพนี้ในชาตินี้เลยแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้เป้าหมายที่สองของเราก็คือต้องสร้างบุญบรารมีให้มากๆเพื่อเป็นเพื่อเป็นฐานรองรับ พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในอนาคตตอนนี้เรายังไม่มีกำลังมากพอเราก็ต้องเสริมกำลังของเราไปเรื่อยๆเช่นทานบรารมีศีลบรารมีเนคั ม, มบรารมีเมตตาบรารมีอุเบกขาบรารมีและปัญญาบรารมีนี่คือบรารมีที่เราควรจะสร้างกันให้มาก ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะออกบวชหรือปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ยังติดภารกิจต่างๆยังมีภาระกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับสามีภรรยากับบุตรทิดาเราก็ต้องอย่างน้อยต้องมันบำเพ็ญบารมีต่างๆ เช่นในวันนี้ก็มาบำเพ็ญทานบารมีกันถ้าสมาทานศีลถ้ารักษาศีลได้ก็เป็นการบำเพญ็ญศีลบารมีถ้าอยู่วัดถือศีลแปดได้หรืออยู่บ้านถือศีลแปดได้ก็เรียกว่าเนปขัมมะบารมีคือการออกจากการมาสุขไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกับ ใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือไม่ก็ตามไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่หาความสุขจากเครื่องบรนเทิงต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขจากการตัดเนื้อแต่งตัวใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมแล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไป คือจะไม่นอนบนฟูกหนาๆเนื่องจากจะทำให้นอนนานเกินไปตื่นมาแล้วก็ยังไม่ยอมลุกเพราะมันสบายถ้านอนบนพื้นหนาๆปูด้วยเสือ่อหรือปูด้วยผ้าบนบนพื้นแข็งนอนไปแล้วพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะลุกขึ้นมาทันทีเพราะไม่อยากจะนอนบนพื้นมันแข็งนั่นเอง นี่คือเรื่องของเนตขมมะบานี้ที่เราควรที่จะสร้างกันเอาไว้เพื่อเวลาที่เราไม่มีภาระที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยแล้วอาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้ต่อไปในภายภาคหน้าภาระต่างๆเหล่านี้อาจจะหมดไปก็ได้พ่อแม่อาจจะตายจากเราไปสามีภรรยาอาจจะหย่าร้างเลิกกันไป บุตรธิดาอาจจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วถ้าเราได้บำเพ็ญเนคขมมากบารณมมาอย่างต่อเ น, นื่องเราก็จะสามารถออกบวชได้กลิีกวิเวกไปอยู่ตามวัดได้ไปปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ได้แต่ตอนนี้เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมตัวไว้ พอถึงเวลาไม่มีภาระผูกพันแล้วก็จะไม่สามารถไปได้เพราะกลัวความทุกข์เพราะยังติดกับความสุขทางรูปเสียงกิ่นรสอื่นกลัวอดข้าวกลัวจะลําบากที่จะอยู่แบบไม่มีน้ําประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีความสะดวกสบายต่างๆถ้าไม่เตรียมตัวไว้ตั้งแต่แบบนี้พอมีโอกาสก็จะไม่ได้ ช่วยโอกาสนั้นมาทำประโยชน์ดังนั้นเราต้องพยายามสร้างเนตรขัน ม, มะบาลีอย่างน้อยในวันพระก็ควรจะถือศีลแปดกันในวันธรรมดาก็ให้ถือศีลห้าถ้ามีพะระนึกมิ้วมีอยู่ใกล้วัดก็ควรที่จะทำบุญตักบาททุกวันถ้าไม่มีอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้พระจะเอาเงินใส่กระปุกเอาไว้ก่อนก็ได้ เงินที่จะใช้ในการทาบุญตักบาเอาใส่ไว้ในกระปุกแล้วพอมีโอกาสไปวัดก็นำออกไปถวายวัดก็ได้หรือถ้าอยากจะทาบุญทางด้านอื่นก็ได้เช่นทาบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงเรียนการศึกษาหรือช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเช่นในกรณีน้ำท่วมนี้เป็นต้น เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นทานบามีเราควรจะทําอยู่เรื่อยๆอย่าอ้างเหตุนั้นเหตุนี้มีเหตุอันเดียวที่จะอ้างได้ก็คือไม่มีเงินแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วเช่นออกบวชแล้วเวลาออกบวชแล้วนี้ไม่มีเงินติดตัวมาแล้วอย่างนี้อ้างได้ว่าไม่ต้องไปทําทานแล้วแต่เพราะว่านักบวชนี้งานของนักบวชก็คือเนคข ม, มะบารลี ต้องปรีกุ้เวกต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ต้องเจริญอุเบกขาและปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือการทําจิตใจให้สงบให้เย็นให้เป็นกลางแล้วพอออกมาจากสมาธิออกจากความสงบก็ให้รักษาอุเบกขาความเป็นกลางนี้ไว้ด้วยการ จเจริญปัญญาเรื่องต้นก็อาศัยการศึกษาพระธรรมคำสอนไปก่อนฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือที่คัดมาจากพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกนี่เป็นคำภีหลักเป็นคำสอนที่เป็นมาตรฐานถ้าไปอ่านคาสอนของผู้ที่รู้บ้างไม่รู้บ้างก็อาจจะเรียนแบบผิดผิดถูกๆ ตอนต้นเราควรจะเรียนศึกษาพระไตรปิฎกไว้ก่อนไม่ต้องศึกษามากหรอกมีพระสูตรอยู่สองสามพระสูตรที่เราควรจะศึกษากันก็คือพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระมหาสติปัฏฐานสูตรมงคลลสูตรถ้าเรารู้สองสามูตรนี้เราจะมีมาตรฐานวัดคำสอนของผู้อื่นของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ว่าท่านสอนนอกลู่นอกทางหรือไม่ท่านสอนถูกหรือสอนไม่ถูกแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษามาตรฐานคือพระไตรปิฎกเลยเวลาเราไปได้ยินคำสอนของอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เราก็อาจจะรับคำสอนที่ผิดมาได้หรือบางทีเราไปศึกษาจากพ้าอาจารย์หลายรูปด้วยกัน ท่านก็มีวิธีสอนที่แตกต่างกันไปก็จะทำให้เราสับสนลังเลสงสัยได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกมาก่อนเราจะเข้าใจเช่นวิธีการทำสมาธินี้ในพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้ถึง40วิธีด้วยกันแต่เวลาเราไปศึกษากับอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ท่านจะสอนวิธีเดียวแล้วก็จะวิธีที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกมาก่อนเราก็จะงงหรือจะไม่รู้ว่าจะเลือกคำสอนอันไหนดีคำสอนอันไหนเป็นคำสอนที่ถูกต้องนังมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในสมัยพระพุทธกาลในช่วงคืนที่พระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธ์ปรประวนิพานก่อนหน้านั้นไม่นานมี มีชายคนหนึ่งมีปัญหามีคําถามอยากจะไปกราบถามพระพุทธเจ้าแต่พระอนนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐากก็ห้ามไว้ไม่ให้เข้าไปเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นกําลังจะจะเสด็จพระนิพพานแต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าได้ทร ง, งได้ยินเข้าจึงสั่งให้พระอนนท์ให้ปล่อยเข้าไปหาพอเข้าไปแล้ว ชายคนนั้นก็ถามถามว่าจะทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าคำสอนต่างๆของสำนักต่างๆของอาจารย์ต่างๆนั้นเป็นคำสอนที่ถูกทางเป็นคำสอนที่จะพาไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าประทรงต่ัว่าคำสอนใดก็ตามถ้ามีมากเป็นองศาอยู่ คำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้องต้องมีมัชที่เป็นองค์แปดคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกบโปความดมฤทิชอบสัมมากรรมมันโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชีโวการมีอาชีพชอบสัมมาวายโม การมีความเพียรชอบสัมมาสติและสัมมาสมาธิต้องมีครบทั้งแปดประการนี้ถึงจะเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่จะพาสัตว์หรือพาผู้ที่ศึกษาปฏิบัติไปสู่มรรคผลผนิพพานไปสู่การหลุดพ้นได้ดังนั้นเวลาเราไปศึกษาจากพระอาจารย์รูปใดก็ตามเราก็ จะได้รู้ว่าท่านสอนถูกหรือไม่ถูกอย่างไรเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางไปถ้าท่านสอนผิดเราจะได้ถอยออกมาได้ไม่หลงศึกไม่หลงปฏิบัติตามเหมือนกับองคุลิมาที่ถูกอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนหนึ่งพคนเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน แต่เป็นบุญขององคุลิมาที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคนที่หนึ่งพันที่องคุลิมาจะฆ่าแต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงมีมีมีอิทธิฤทธิสามารถทำให้องคุลิมา น, นี้วิ่งไล่ฆ่าตามไม่ทันจนในที่สุดองคุลิมาก็ต้องร้องขอให้พระพุทธเจ้าทรงหยุด พระพุทธเจ้าก็ตัดกลับไปว่าเราได้หยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่ได้หยุดหลครุลิมานก็งงก็ตอบกลับไปว่ากับผมวิ่งตามไล่ตามท่านอยู่ขนาดนี้แล้วยังตามไม่ทันแล้วท่านบอกว่าท่านหยุดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตัดต่อไปว่าเราได้หยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้ว พอเพื่อพูดอย่างนั้นองคุลิมาก็ได้เกิดปัญญาขึ้นมาทันทีเกิดความเห็นเห็นชอบสัมมาทิฏฐิขึ้นมาทันทีจึงหยุดการกระทําที่ไม่ที่ผิดนี้ไปแล้วก็นับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระอาจารย์ศึกษาจากพระพุทธเจ้าไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมา นี่คือความสำคัญของคำสอนที่ถูกต้องถ้าไปเจอคำสอนที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หลงงงงายเช่นมีวิธีมีคำสอนต่างๆในพวกพุทธศาสนาที่หลงงงงายกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการบูชาวัตถุมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปนอนในโรงหรือเดินลอดใต้ถุนโบสถ์ หรือทำพิธีกรรมอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยถ้าเราได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วเราก็จะได้ไม่หลงไปกับคำสอนเหล่านี้จะได้ไม่เสียเวลาเราจะได้มุ่งมั่นอยู่การอยู่แต่การปฏิบัติมรรคแปดเพื่อผลคือพระนิพพานที่จะตามมาต่อไป นี่คือเรื่องของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีชีวิตอยู่ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากถ้าเราไม่รีบฉวยโอกาสนี้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมเราก็จะ เสียโอกาสไปตายไปเราก็ยังจะต้องไปเวียนไหวตายเกิดอีกไม่รู้หยิบกี่พบกี่ชาติแต่ถ้าเรามาศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังเราก็าจจะไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปหรือถ้าจะไปเกิดก็จะไม่เกิดเกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่คือ ประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราจงพยายามเตือนสติอยู่เรื่อยเตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าจงอย่าประมาทชีวิตของเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ต้องรีบตักตัวประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยการศึกษา ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพทธเจ้าให้ได้มากที่สุดแล้วผลประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐก็จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล